จิตตังดันตังสุขาวหันติอิมัสสะธรรมะปริยาญัติสะอโทสาธายสัมันเตหิสักจังโซตัปุตตินบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะ เพื่อความรู้ความเข้าใจตามตำรับตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระประมัติตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรมเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่าง ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ยอมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ยอมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นคุ่งเป็นแฝ ฟ, ฟังกันแล้วเกือบจะจับต้นชนปลายไม่ถูก จนกทั่งผู้ฟังงงงงจนไม่รู้จักจะจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงจริงอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธ เข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกัน ย, ยิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อน เพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันเส้อบ้างดีไหมเพื่อว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนโปพังขามาธรรมามโนเศรษฐมโนมยาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อน สำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่ว ในไม่คิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดในเรื่องอกุศลที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุด มันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอากุศลพลังอันนั้นมันก็มันก็ปฏิวัติจิตให้เห่หันไปในทางฝ่ายอากุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอากุศลเพราะฉะนั้นนักบ่าท่านจึงมี อุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจงกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอั น, นั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศล สิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอําเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไป ไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวิเัยมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อเจตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ชวนให้โลภ ก, ก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้หลง ก, ก็ปล่อย ลอยโดยไม่มีการหักข้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมเล้าไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิดเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่ แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วในกลาวนี้ตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปะจญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหม ท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศ า, ศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าหาท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่า ถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราแตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธ ร, รมที่ว่าฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่หลังแก่ไม่คิดอิจฉาริษยาใครๆนี่ถ้าเราทำความเข้าใจซะอย่างนี้การปฏิบัติธรรม เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ขม่มเหงไม่รังแกไม่คิดิจฉาริสย า, ยาถ้าใครพรยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจจตใจของเราคล่องตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะคมเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักคําว่าละความชั่วในเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยา มันเป็นการทำลายบาปที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาฤตษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุ ณ, ณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติให้มันไปตรงกับหลักของศีลห้ามันก็ได้ในศีลห้าข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ค่า เว้นจากการค่าก็คือเว้นตามศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการเบียดบีนก็คือเว้นจากกตินาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นกาเมสุเมชาจารเว้นความอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาติสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีลห้าข้อนี้ เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากชาวพุทธเรายึดมั่นในศีลห้าข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีลห้าย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปก่อกรรมทาเข็ญให้ใครเดือดร้อน อันนี้ว่าด้วยศีลห้าเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีลห้าเป็นคุณธรรมปรับเพิ่ฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีลห้าประการ เมื่อท่านมีศีลห้าข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมรุษของท่านสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตเต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาแล่ใจของท่านแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไป ก็สามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาอินทร์มต่ำกว่าภูมิของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้ อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเรื่มใสในคำสอนหรือได้ความเรื่มใสในคุณพระรัตนไตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม่เิ้ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีลสิบสองยีสบเจ็ แต่ถ้าหากว่าศีลห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดพังอยู่ไม่ได้เพราะศีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดนี่มันเป็นคุ ณ, ณธรรมเบื้องสูงคค่ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปาลาบอกว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบังเมื่อได้ยินเท่าก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้น อยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนเสร็จแพ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดในน้อยขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจิงแล้ว ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสําคัญอยู่ที่การทําจริงเช่นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมะมาแสดงธรรมให้ฟังในก็เหมือนกันความจริงครูบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีทมเทไป ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีความลังเกยียดหรือไม่อยากจะมาเทศทยาทให้โยมฟังดอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาวความรู้พอมาเทศทายาิโจมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดเสาปุมแล้วก็เคยมาศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ลูวนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกครูเลือกอาจารย์โดยอัมพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้น ถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดโยทุกลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันสิบห้าวันหรือจะไปภาวนาพโพธดโยบหนอพองหนอสัมมาอารหังอะไรทั้งนั้น ปัญหาสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทําสติรู้กับสิ่งนั้นในจุดสําคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยบหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมา阿拉หังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ พธอก็เป็นเครื่องโลของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคําพูดคําพูดที่เราโผล่บัญญัติขึ้นมาเป็นคำคำเอามานึกไว้ที่จิตแล้วก็ทําอีกควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้าง เราสามารถที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอสีติมหาสาวกที่ท่านได้สําเร็จพระอาหารหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังทำอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสําเร็จได้บางท่านก็สําเร็จเพราะ บริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบนจะขันบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นโอปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างกันไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบพิธีการปฏิบัติกรรมาฐานออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆ แล้วพยายามทำให้มันจริงจริงโพทังโคสติสังขารตกสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้สติจะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆกกระทำให้มากๆทีนี้จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้ิตต้องมีสิ่งรู้ เพราะฉะนั้นในคำภีร์ท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุโทโธบ้างสัมมาอ阿拉หังบ้างยบหนอพองหนอบ้างพพธโธก็ดีสัมมา阿拉หังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีเป็นสิ่งโูกของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายะคตาสติการพิจารณาผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการ ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละลึกตอกลองว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่า ต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจสิ่งนั้นๆก็เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆหรือรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็น เนาสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้หัวใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดไม่ว่าได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเห็นจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสําคัญกระมังนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสศาสนาในปัจจุบันนี้ แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งและความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนตอนน้นได้ว่าจะพูดถึงเรื่องการ พูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันได้มีหลักใหญ่ๆเท่าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลักสามประการหนึ่ง ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กําหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากําหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายอมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราก็รู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้ แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทำนองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้คือรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้น ในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สอง คือหลักของการบริกรรมภาวนา <c oughs> หลักของการบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยบหนอพองหนอพพทโทสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้ง อาตมานี่ก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันเผลอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่า แปลกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นตน้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุโทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงเพราะภาวนาพุโทโธก็ปล่อยให้มันสงบ เมื่อปีติความสุขความสงบลงเป็นหนึ่งคคอเอกกับขาตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝึดถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาโพธโทโพธิโทโพธิโทแล้วจิตมันไม่อยู่กับโพธิโทรปรเดียวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับโพดโทปล่อยให้มันคิดไปเถอะ อย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุโทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปลดละพอมันคิดปับตั้งใจทำสติตามรู้ทันที มันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องทั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบพิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่อัตมะเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่ โลกเศรษกร้อนกติก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพโพธิ์ทอแล้วเมื่อจิตพันธิงโพธทอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นเน้วยปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่สิเขาว่าอย่างนี้คนเคยทดสอบดูแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านขอได้โปรดอย่าคัดค้านประเดี๋ยวจะอายญาติโยมบางคนเขา ซึ่งบางคนก็เพียงแค่ว่าทําสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิมันเกิดจิตเกิดภูมิจิตภูมิทํารู้อสุภกรรมาฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธจิตไม่อยู่กับพุโธปล่อยให้มันคิดไปแล้วทําสติตามรู้ไป ในที่สุดมาสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันในในข้อนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจรารณาเช่นอามาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิด ประการที่สองทมสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธคำนั้นนี่เราทำงานทั้งสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าจิตของเรามีความคิดอยู่โดยปกติเราเพียงแต่ทาสติกรรําหนดตามรู้ความคิดเท่านั้นลองหลับตานลกดูสิว่าการทำอย่างนี้ เราจะมีงานทำเพียงหน้าที่เดียวเพราะพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันนึกพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียว เท้าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายในตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมานี่เขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมาฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดู ทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นลาาคลราสพูกครองเย่าเรือโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวก บุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองลอ ง, ลองคิดตูสิเช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำสติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐาน เพราะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเช่นเดียวกันกันกบอย่างอื่นไหนเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอั น, นั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดี เท่าที่ได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ผลดีคือหนึ่งเราทำสติกาหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดประการที่สองบอมภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นเราปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปประการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมา ฐ, าฐานทันทีทำสติกาหนดตามรู้สิ่งนั้นนั้นที่เราคิดไป ทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบตูแล้วเป็นอุบายทาจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอ ก, กคตาได้เหมือนกันที่ได้เจิตเมื่อสงบลงเป็นเอกเอกเอกตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่า ความรู้สึกว่ามีกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมจิตปฐมสมาธิ ผมปัญญาจิตมีสมรรถภาพเพียงแค่ว่าพระยงตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามจเจริญแบบวิปัสสนาหรือบนไหนเมื่อจิตสงบลงเป็นอัปปนาสิขั้นนี้ความรู้สึกเนื้อคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้น จะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆจิตไม่มีความไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่มีความคิดเพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญตัติเพราะฉะนั้นจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามท่าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้ว จิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือคือจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นกลางไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจิตสมถะจิตสมถะนี่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสองผ่านการค้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆ สามผ่านการตามรู้ความคิดและอารมณ์เมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบหลักตามหลักสูตรของวิปัสสนากรรมทัยหรือการตามรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดี เป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพรยายามปฏิบัติให้มันถึงแก่นกันสักทีถ เราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษรัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแคลร์จนกระทั่งพากันงงยังกระไก่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลาย เพราะฉะนั้นอาตจจมาจึงขอให้คำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติลงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฌานพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไฝ่ฝัน เอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติ นี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทําได้อย่างนี้เจตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ทานอะไรก็ช่างขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพโพโตโพโตโพโธในตอนแรกๆนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพโพโต แต่เมื่อท่านนึกพุโทโธจนคล่องตัวแล้วจนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยายแก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็น อาตมา ก, ก็สอนให้แก่บริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแก่ท่องพุโทโธของแกยอยู่สิบห้าวันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุโทโธแต่ติดเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทําไมใจของคนนี่จึงลุกเป็นไฟได้ เขาบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้ก็สอนแสดงให้เห็นว่าจิตมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่ดับต่อมาก็บอกว่าเออรักษษาวิาจาให้มันดับเมื่อเวลาจวนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศกันจบแล้ว ก็เดินไปหาแกไปถามว่ายายพระโสดมนได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งลุกแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจนึกว่าไฟไหม้บ้านทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกาหนดจิตไป เพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าเออที่นี้งานของอาตมาเสร็จคืนวันที่สามพอลงเช้าวันที่สี่แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างงูงูป่าปลาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุโทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่น ในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแก่จึงใช้คําว่าทําไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้ที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไฟขึ้นมาและจิตของแกยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้น เมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตปันสว่างอยู่จัดตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุคหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าเออพองานเสร็จแล้วแกก็ไปทันที อันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวที่นี้ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทาสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดเมื่อประมาณสักเดือนเสรศจๆมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่า โนปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทาสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปจจตกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมอนคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเห็นเป็นโครงกระดูก แล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือโนไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได้เพราะอะไรอาตมาก็ให้คำตอบว่าเพราะการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดโดยธรรมชาติของจิตหรือสติเมื่อมีสิ่งรู้ จิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกในเมื่อเราพยายามทำให้มากๆอบรมให้มากๆจิตจะไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นไปไม่ได้ปัญหาสาคัญเราอย่าไปทาจิตทาใจให้เข้าในลักษณะที่ว่าชิงสุขก่อนหามที่เราทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้มากเกินไป โลมากกำลังของเราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงให้คติเตือนใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นเย็นหนึ่งใจเย็นเย็นสองเชื่อสมรรถภาพของตัวเองสามใช้ความภาคเพียนพยายามมากๆเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิและสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเอง แม้ว่าใครภาวนาแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้ยานไม่ได้ฌานอย่างท่านที่อย่างที่ท่านว่าก็ตามแม้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ให้สังเกตดูสติของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่เราไม่เคยภาวนาไหมถ้าสังเกตดูสติเมื่อเรามีความคิดอะไรแล้วสติมันโผล่ขึ้นมา คิดอะไรมันตามรู้ไปคิดอะไรมันตามรู้ไปเมื่อพูดมันไปจ้องอยู่กับคำพูดเมื่อคิดมันไปจ้องอยู่กับความคิดเมื่อทำงานมันไปจ้องอยู่กับงานเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตสามารถมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาชีวิตประจำวันมันแก้ได้ เมื่อมีปัญหาการงานมันแก้ได้ขอให้สังเกตดูถ้าได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลทีนี้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดจะทำปานาติบาตเช่นจงมากัดเราก็ยังอยากจะตกแต่เมื่อมหาภาวนาแล้วเราได้ดีขึ้น แม้จิตจะยังไม่เป็นสมาธิแต่เรางดเว้นบาปกรรมตามหลักของสินห้าได้โดยเด็ดขาดและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลถ้าใจมันยังนึกอยากจะตบยุ่งอยู่แล้วก็ยังแสดงว่ายังไม่มีพลังเข้มแข็งเพียงพอถ้าเราจะไปมุ่งเอาแต่ทานแต่ความสงบแต่ ญาณอะไรต่างๆตามที่ว่านั้นเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะเกิดท้อถอยไม่อยากปฏิบัติเราต้องเก็บเอาส่วนหยาบจากส่วนหยาบๆนี่ไปก่อนที่จะได้ส่วนละเอียดนี่เราต้องได้ส่วนหยาบเะก่อนและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ย ถ้าท่านผู้ใดเกิดความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิวันนั้นนอนไม่หลับขอให้รู้เถิดว่าท่านได้คุณธรรมอันหนึ่งคือศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเพราะท่านอยากทําในเมื่อมีศรัทธาความเชื่อมัน่นก็ย่อมมีวิริยะคือความภาคเพียร เมื่อมีวิริยะความภาพเพียนก็มีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจก็ย่อมเกิดความมั่นคงคือสมาธิในเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นหลักปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้หลาอีกอันหนึ่งขอตอบปัญหาซึ่งมีคนถามอยู่บ่อยๆ บ, บางทีบางท่านอาจจะเคยเป็นมาแล้ว แต่ยังคล่องอยู่ในปัญหาข้อนี้เมโกไปถามบ่อยๆว่าเมื่อก่อนนี้ทำสมาธิจิตสงบมีปีติมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งบางครั้งสงบละเอียดถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีตัวแต่เดี๋ยวนี้ทำไมจิตมีแต่ความฟุง้งซ่านในปัญหานี้มีคนถามอยู่บ่อยๆ ซื่งโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดมีความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆจิตสะสมพลังงานเอาไว้แล้วในเมื่อจิตมีพลังงานตัวการสำคัญคือสติในเมื่อสติจิตจ่อมมีความคิดความคิดอ น, นั้นคือปัญญามันเป็นผลเกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีจิตสงบอยู่แล้วเมื่อภายหลัง มาภาวนาแล้วจิตสงบลงเพียงนิดเดียวมันไม่สงบเป็นสมาธิถึงขนาดได้ฌานสักทีมันมีแต่ความคิดถ้าเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วการภาวนาของท่านจะได้ผลดีเมื่อจิตมันมีพลังพอที่จะทำงานได้แล้วมันอยากทำงานถ้าท่านไปห้ามมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้ บางทีมันอยากสงบอยู่เฉยๆมันก็สงบบางทีมันอยากใช้ความคิดมันอยากมีความรู้มันอยากพิจารณาอยู่เฉยๆมันก็พิจารณาโดยไม่ได้ตั้งใจและมันจะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาและสงบอยู่ตลอดเวลาเรียขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังจงทำความเข้าใจอย่างนี้ <c oughs> พองันวันนี้ได้ธรรมะ ได้นำธรรมะมาแสดงเกี่ยวกับหลักการที่จะทํากรรมฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการทํากรรมฐานนี้จะต้องทําจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราจะมีหลักการปฏิบัติได้ในสามหลัก คือหนึ่งทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตลอดเวลาทุกลมหายใจประการที่สองบริกรรมภาวนาจะนึกพูดโทก็ได้เมื่อจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าจิตไปคิดถึงสิ่งอื่นลองปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้แบบที่สองนี่เป็นการทดสอบพลังจิตไปในตัวจะได้หายข้อข้องใจในข้อที่ว่า เมื่อก่อนนี้จิตสงบแล้ว <c oughs> จิตสงบมีปีติมีความสุขดีแต่บัดนี้ทําไมมีแต่ความฟุง้งซ่านถ้าท่านปฏิบัติตามหลักที่สองนี้ท่านจะหายสงสัยในข้อนี้ประการที่สามการใช้ความคิดมาเป็นอารมณ์พิจารณาเสียงเราสามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางศาสนาแม้แต่เรื่องความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการงานใดๆก็ตาม ซึ่งเราจําเป็นต้องใช้ความคิดอยู่แล้วเมื่อเราจะใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ทาสติกำหนดตามรู้ความคิดโดยถือเอาความคิดอันนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานแล้วท่านจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมกระทาให้มากๆอบรมให้มากๆจะมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหา จิตใจของตัวเองได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แล้วเราจะได้พลังจิตพลังสติไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่อันเป็นชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระสีรัชนาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคลจักรวาลจงดลบรนดานให้จิตใจของท่านผู้ฟัง ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประการละนีะ้ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหามีผู้ถามว่าเมื่อเวลาผู้ถูกวิญญาณอื่นเข้าทรงนั้นจิตของผู้กระทำการเข้าทรงนั้นไปอยู่แห่งใดเยงปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทรง อันนี้คำตอบก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นก็อยู่ในตัวของเขาแต่ว่าในเมื่อเขาน้อมจิตน้อมใจของเขาให้ตกอยู่ในอํานาจของวิญญาณแล้วเขาจึงไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้านกับวิญญาณนั้นๆั้นได้อันนี้มีตัวอย่างมีตัวอย่างคือมีนายคนหนึ่งอยากจะทด ลองการทรงวิญญาณอาสาไปเชิญหมอทรงวิญญาณหมอทําพิธีทรงวิญญาณมามาก็มาทําพิธีตามแบบของเขาแล้วเขาก็ผู้ที่ต้องการอยากจะทรงวิญญาณ น, นั้นก็ปฏิบัติตามคําแนะนาทุกอย่างในเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนาเขาก็ให้บริกรรมคาถาตามแบบของเขา ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตก็มีความสงบปรงมีปีติมีความสุขเหมือนกับที่เราบริกรรมภาวนาธรรมดา <c oughs> แต่เขาตั้งใจจะรับการส่งนั้นอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีโรปร่างของวิญญาณที่เขาเชิญมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเมื่อปรากฏตัวแล้วเขาก็น้อมจิตน้อมใจรับการส่ง เวีย ญ, ญาณนั่นก็เข้ามาส่งทันทีในเมื่อเข้ามาส่งแล้ว <c oughs> ความรู้สึกดั้งเดิมก็เข้าเปลี่ยนไปในทันทีทันใดเปย์เตะความสุขหายยังเหลือแต่ความแน่นในหน้าอกแล้วหนักไปทั้งเนื้อทั้งตัวในขณะนั้นเขายังมีสติเป็นของข้องตัวอยู่แต่เขาก็พยายามนึกต่อต้านก็าบอกว่าการส่งนี้ไม่ดีการส่งนี้ไม่ดีเพราะ ไม่ใช่ความสุขพอถูกทรงแล้วหนักตัวปวดศีรษะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไปรู้สึกตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของวิญญาณทรงที่นี้นแต่เมื่อภายหลังเมื่อการทรงผ่านพ้นไปแล้วที่หลังเขาก็ไม่คิดว่าต่อไปเราจะภาวนาเอาตรงที่มันมีปีติมีความสุขจะไม่ให้วิญญาณเข้าทรง แต่เมื่อจะภาวนาจะทําอย่างไรก็ต้องขอยืมคาถาของอาจารย์ผู้ทําพิธีส่งมาบริกรรมภาวนาพอบริกรรมภาวนาพอจิตสงบมีปิติมีความสุขเจ้าวิ ญ, ญญาณที่เคยส่งนี่ก็โผล่หน้ามาทันทีในตอนนี้เขาแข็งใจเขานึกว่าไม่ยอมให้ส่งไม่ยอมให้ส่งเขานึกอยู่อย่างนี้ แล้วจิตกระแสจิตของก็ก็แ่งอยู่ที่รูปร่างของวิญญาณพอแ่งไปได้สักพักหนึ่งเนื้อหนังของรูปร่างนั้นก็พังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็สดหว่วลงแล้วกลัวไปหมดหลังจากนั้นเขาภาวนาอย่างไรวิญญาณก็ไม่มารบกวนเขาอีกอันนี้เพราะเขามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็ง เขาไม่ยอมให้วิญญาณเข้าส่งวิญญาณจึงส่งเขาไม่ได้เมื่อวิญญาณเข้าส่งแล้ววิญญาณเดิมของเขาก็แฝงอยู่ในนั้นไม่ได้หนีไปไหนแต่หากถูกวิญญาณดวงใหม่ที่มาเข้าส่งนี่บีบบังคับให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณดวงใหม่นี่หมดเขาจึงไม่มีพลังจิตพลังประสิทธิภาพอะไรจะเป็นตัวของตัว เรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นเรื่องของการสร่งไปหมดคําพยากรณ์ของคนทรงจะเชื่อถือได้เพียงใดแค่ไหนคําพยากรณ์ของคนทรงนี่ก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้พี่พอๆกับหมอดูคู่กับหมอเดาถ้าคนทรงยังมีสติสัมปชัญญะดี ยังไม่ถูกอะไรมาก่อเกิดมาก่อให้เกิดกิเลสโลภโลกรดหลงขึ้นมาภายหลังตอนแรกๆนี่ทำนายอะไรก็แม่นแม่นแม่นแม่นแต่ว่าเมื่อนา น, นๆไปแล้วความแม่นมันจะจะหายไปหมดเหมือนเหมือนกับอาจารย์ให้หวยมันก็แม่นแต่ทีแรกต่อไปแล้วมันก็ไม่แม่นไอเรื่องของวิญญาณ น, นี่ก็เหมือนกัน บางอย่างเราก็พอเชื่อถือได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้มีมีผิดบ้างถูกบ้งบญญางเพราะวิน丹นี่ก็ไม่ใช่ผู้พิเศษที่เหนือมนุษย์เราเท่าไหร่นักหรอกถ้าหากสมมติว่าอย่างพวกเรานี่ภาวนาธรมเป็นสมาธิมีอะไรดีๆกันจริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำนายทายทักนิตาของตัวเองหรือคาดการ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันได้ หลักวิชาการมันก็มีอยู่